1>, 1. จีวรพัก 7. ตตตุตตะริศิขาบทว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกินเรื่องพระชพาพคี522ีสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น พวกภิกษุชพคีเข้าไปหาภิกษุที่ถูกโจรชิงจีวรไปแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ถูกโจรชิงจีวรไปหรือจีวรสูญหายออกป่าขอจีวรจากเครือัดชายหรือครือขัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติได้พวกท่านจงขอจีวรเถิดภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าไม่ละขอรับพวกกระผมได้จีวรครบแล้ว พวกภิกษุชาวพคีกล่าวว่าพวกเราจะออกปากขอเพื่อพวกท่านภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่านิมนต์ออกปากขอเถิดขอรับต่อจากนั้นพวกภิกษุชาวพคีเข้าไปหาพวกเครือัดกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุที่ถูกจนชิงจีวรไปมาถึงแล้วพวกท่านจงถวายจีวรแก่พวกเธอแล้วออกปากขอจีวรเป็นอันมากก็สมัยนั้นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมบอกชายอีกคนหนึ่งว่า พวกพระคุณเจ้าที่ถูกโจรชิงจีวรไปมาถึงแล้วข้าพเจ้าได้ถวายจีวรท่านเหล่านั้นไปแล้วใช่แม่นั้นตอบว่าข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วใช่อีกคนหนึ่งก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าแม้ข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วพวกเขาตำหนิประนามพผลนทนาว่าฉนไนพระสมณะเชื้อสายสกยาบุตรจึงไม่รู้จักประมาณออกปากขอจีวรมากมายเล่า พวกเธอจะค้าผ้าหรือจัดตั้งร้านขายผ้ากระมังพวกภิกษุได้ยินคําตําหนิประนามโพนธนาของชาวบ้านบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุฉัพพชีจึงไม่รู้จักประมาณออกปากขอจีวรเป็นมากเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุฉัพพชีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ